แต่ภาวนาภาวนาคือพูดถึงเรื่องจิต จิตในเมื่อฝึกหัดได้แล้วอยู่ที่ จิตตรัสได้มาโทษสาทุกท่านว่านั้นจิต pega o barrel of egg throw t him and he ultimately felt a suggestion in its place on the floor but i think that my understanding is pasrange. Along my interest in orgasm, I made it at all my way. Biggest strats are all the same because I made it Bros of being fragile. And the self kommen to her part. The aspects where Hawthorne อยู่มันต้องคนมีเงินเงินช่วยหน่อยแต่เงินก็ต้อง เงินไม่ใช้มาเองหามาได้แล้วก็ไม่ใช้เงินไม่จะใช้เมื่อ แล้วก็เป็นคนรักษาแล้วก็เป็นคนใช้เงินอีกเราคิดดูไม่ใช่เป็นคิ เนี่ยน่ะเข้าใจว่าความสุขของ ความเข้าใจมันผิดไปอย่างนี้ความเข้าใจของ คิดดูม้าดูกลัวพฤษสัตว์ต่างๆพอฝึกหัด ให้ยืนไอ้มันก็ยืน 3-4 ชั่วโมงก็ยืนอยู่คงที่ถ้า ไอ้เจ็บคล้องเหล่าอยู่คงที่แล้วเอาตั้งไว้ไหนก็อยู่คงที่อย่างนั้นไม่หวั่นไหวไม่กำเริบวุ่น ในการสงบเป็นต้อง 5 สิ่งต่างๆให้มีเครื่องอะไรเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิต นั่นน่ะเข้าใจไม่ไม่ <Yeah. S 1> เราต้องการอะไรต้องการอะไรเราต้องการความวุ่นวายหรือต้องการความสงบสุขก็บอกแล้วว่าความสงบสุขไม่ใช่วุ่นวายวุ่นวายอบุ่นวายสุข ความที่นั้นมันยังคอยเดือดร้อนเป็นทุกข์ใครใดก็ตามเถอะ ถ้ารวยไม่พอรวยไม่พอถ้ามีไม่พอก็ตามมีตามได้เรียก ตามมีตามได้ไม่ใช่ไม่หาหามาเท่าใดเท่าใดดีกับสถานที่ตนได้พอใจกับที่ตนได้นั้นแค่ยินดีพอใจในที่ก็ใช้จ่ายเท่าที่มีอยู่เท่าที่เป็นอยู่ก็พอใจมันก็อิ่มใจมันก็เต็มตื้นขึ้นมามันก็อิ่มมาดิมัน มีมากกว่าเหมือนกับคนทุกข์มีมากจนจนคือคือความไม่พอๆขึ้นไปความ ถ้าหายินดีพอใจเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาเขาบอกบางคนบอกว่าทุติปะละมังทนังยินดีตาม อ่าเหมือนกันทํามาค้าขายหาอยู่ฮะกินทุกสิ่งทุกสวนหาเหมือนกันจะได้มาแล้ว หาอยู่เต็มยินดีกับของที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาเข้า เรเรายินดีกับอารมณ์ของเราเราไม่ใช่ว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติ กรรมการมีต้องพิจารณาไม่ใช่ไม่พิจารณาจะให้เกิด ต้องพิจารณาพิจารณาถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมา <c oughs> ยึดถือนั่นนี่อยู่ไม่ละไม่ถอนอ่าขณะนี้มันจะ คือความยินดีกับของที่ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นความสุขกันไม่มีอะไรก็เอา เมพวกที่ 99% ที่ไม่มีศีล 5 อันเหลือ จึงที่หวังความบริสุทธิ์เขาก็หวังเมื่อการความบริสุทธิ์แต่เขาหวังโดยค่ากรณีโดยคิดนึกไม่ถึงว่าความสุขจะเป็นอย่างไรนั้นมันจะสุขอย่างนั้นจะสบายนั้นความสุข ยังมียศยศเกียรติยศชื่อเสียงโตดังคนนิยมนับ เอาละความชั่วน่ะคิดกับความสุข ขั้นเห็นกับวัตถุทั้งต้นแล้วสงบเองเรียกว่าศีลานตติสงบ น่ากังวลเกี่ยวข้องปัวพันสรรพสัตว์ทุกอย่างตั้งแต่ ขอหาครูบาภาวนารักษาศีลเพื่อพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าทุกข์อะไรเท่าไหร่จะ ถึงว่าสุขกายสุขใจนั่นถึงทุกถึงสุขกายสุขใจก็เอาเถอะมันจะได้สัก <c oughs> ว่าคันเกี่ยวข้องโน่นนี่อะไรต่างๆสัมพันธ์ทุกอย่าง เมื่อถึงจิตก็เห็นจิตที่มันยุ่งวุ่นวายมันก็ตับกระส่ายมันเครียดกระส่อนกระเครียดกระส่อนหรือจิตที่มันใหม่ในไอ้ใน ความเต็มเปื้อนเป็นของ <c oughs> เอาการฝึกหัดใจใครเป็นคนฝึกหัดใครเป็นคนฝึกหัดใจนี้การฝึกหัดใจ ฝึกหัดใจแล้วใครเป็นคนฝึกหัด สติควบคุมใจให้อยู่สติคือความรู้ตัวระลึกสติคือความระลึกได้ศัพท์จะ ผู้คิดผู้นึกน่ะเป็นตัวจิตสติ ถึงเห็นบ่เห็นก็เอาเถอะขอให้เอาสติแต่นั่นแหละควบ มันจะทํารู้เรื่องของจิตมันหยุดเอง <c oughs> ใจเห็นใจได้คันมันเข้ามันอยู่ในที่เดียวแล้วมันเป็นอันเดียวอัน ที่จะได้รับความสุขของเป็นใจมาอยู่ในที่เดียวแล้วน่า <c oughs> ความเป็นมันก็เป็นโลกธรรมนั้นเลยกลายเป็นทุกข์ไปอยากอธิบายให้ มันหลงทุกข์มานานหลงทกก็เลยเข้าใจเอาเป็นทุกข์